บทที่สิบเอ็พลังแห่งการระดมความคิดแรงผลักดันสู่ความสำเร็จขั้นตอนที่9้าสู่ความร่ำรวยพลังเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับความสาเร็จในการสร้างความร่ำรวยแผนการอาจไร้ประโยชน์ถ้าปราศจากพลังที่จะขับเคลื่อนไปสู่การลงมือปฏิบัติในบทนี้จะได้อธิบายถึงวิธีการที่เราจะได้พลังนั้นมา แล้วเอานำไปใช้เราอาจให้คําจำกัดความพลังว่าเป็นการบริหารจัดการความรู้อย่างชาญฉลาดแต่พลังที่ใช้ในที่นี้หมายถึงความพยายามที่เป็นระบบเพื่อที่จะทำให้เราสามารถแปลเปลี่ยนปณิธานไปสู่เงินทองความพยายามที่เป็นระบบนี้เกิดขึ้นจากการที่คนตั้งแต่สองคนขึ้นไปนำความรู้และความพยายามมาร่วมมือร่วมใจกัน ด้วยจิตวิญญาณแห่งความสมัครสมานสามคัคคีระหว่างกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่แน่นอนพลังเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการสร้างความร่ํารวยนอกจากนี้พลังยังจําเป็นสําหรับการรักษาเงินทองที่ได้มาอีกด้วยเราได้พลังมาด้วยวิธีใดถ้าพลังคือความรู้ที่เป็นระบบเราเรามาตรวจสอบแหล่งกําเนิดของความรู้กัน อัจฉริยภาพแห่งจักรวาลเราได้รับแหล่งความรู้นี้ด้วยจินตนาการสร้างสรรค์ที่มาจากจิตใต้สำนึกดังที่ได้อธิบายไปแล้วก่อนหน้านี้ในบทที่ 4, สี่ศรัทธาบทที่หการเสนอแนะตัวเองบทที่7จจินตนาการและจะอธิบายเพิ่มเติมอีกในบทที่สิบสาจิตใต้สำนึกและบทที่ 14, สิบสี่ศักยภาพแห่งสมอง ประสบการณ์ที่ได้สะสมมาเราอาจพบประสบการณ์ที่มนุษยชาติได้สะสมไว้ในห้องสมุดสาธารณะที่ทันสมัยเราจะได้ประสบการณ์ที่ได้สะสมไว้อีกส่วนหนึ่งจากการเรียนการสอนในโรงเรียนและวิทยาลัยซึ่งมีคุณภาพและได้มาตรฐานข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เรียบเรียงการปฏิรูปคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมีผลดีต่อการเก็บข้อมูล ความสะดวกในการนำไปใช้และช่วยเพิ่มศักยภาพในการจัดระเบียบข้อมูลจบข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เรียบเรียงการทดลองและวิจัยในแวดวงวิทยาศาสตร์และทุกย่างก้าวของชีวิตผู้คนส่วนใหญ่ได้เก็บรวบรวมจัดกลุ่มและบริหารจัดการข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นใหม่ทุกวันมันจะเป็นแหล่งความรู้ที่คุณใช้ ถ้าหากคุณไม่สามารถหาความรู้ได้จากประสบการณ์ที่เก็บสะสมไว้และอาจต้องใช้จินตนาการสร้างสารรค์ร่วมด้วยข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เรียบเรียงทุกวันนี้เนื่องจากมีการปฏิรูปคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตการตีพิมพ์และเผยแพร่ ข, ข้อมูลทำได้วรวดเร็วมากจนแทบไม่มีช่องว่างระหว่างการศึกษาวิจัยและการนาไปประยุกต์ใช้เป็นความรู้จบ ข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เรียบเรียงเราอาจได้ความรู้จากแหล่งที่เรามักจะละเลยไปเราสามารถแปลเปลี่ยนความรู้ที่ได้มาให้เป็นพลังได้โดยการจัดการกับความรู้เพื่อนำไปสู่แผนการที่ชัดเจนและนำแผนนั้นไปลงมือปฏิบัติถ้าคุณพิจารณาที่มาแห่งความรู้ทั้งสามจะเห็นว่าค่อนข้างยากที่จะได้ความรู้มา แม้ว่าคุณต้องสร้างความรู้ขึ้นมาด้วยการพึ่งพาตัวเองเกือบทั้งหมดคุณก็ยังจําเป็นต้องเปลี่ยนมันให้เป็นแผนปฏิบัติการก่อนอยู่ดีแต่ถ้าแผนการใหญ่และมีรายละเอียดมากคุณจําเป็นต้องหาคนมาร่วมมือกับคุณในการที่จะบริหารจัดการความรู้เพื่อเพิ่มความสามารถของคุณในการเปลี่ยนแผนการให้เป็นพลังงาน สร้างพลังจากการระดมความคิดเราอาจให้คําจำกัดความของการระดมความคิดว่าคือการที่คนตั้งแต่สองคนขึ้นไปนำความรู้และความพยายามมาร่วมมือร่วมใจกันโดยจิตวิญญาณแห่งความสมัครสมานสามัคคีระหว่างกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่แน่นอนไม่มีใครมีพลังอํานาจยิ่งใหญ่ได้โดยปราศจากการระดมความคิดในบทที่8 การวางแผนอย่างเป็นระบบผมได้กล่าวถึงวิธีการที่จะสร้างสรรแผนการที่จะแปลเปลี่ยนปณิธานไปสู่เงินทองถ้าคุณทำตามคำแนะนำเหล่านี้ด้วยความมุ่งมั่นมีไหวพริบและพยายามแยกแยะในการคัดเลือกทีมระดมความคิดของคุณแล้วละก็คุณก็ได้บรรลุจุดมุ่งหมายไปครึ่งทางแล้วโดยที่คุณเองอาจไม่รู้ตัวบทวิจารณ์ ในส่วนนี้ฮิวได้อธิบายพลังสองชนิดที่เราสามารถเข้าถึงได้โดยการสร้างพันธมิตรเพื่อระดมความคิดและทางานร่วมกันเป็นทีมพลังอย่างแรกที่ฮิวพูดถึงเป็นพลังทางเศรษฐกิจซึ่งไม่จำเป็นที่ผู้เขียนต้องอธิบายอีกอย่างไรก็ตามจำเป็นต้องอธิบายพลังที่สองซึ่งฮิวใช้คาว่าพลังจิตเนื่องจากคำนี้ อาจไปแสดงความหมายบางอย่างที่ฮิวไม่ได้ตั้งใจจึงควรทำความกระจ่างกับแนวคิดก่อนที่คุณจะอ่านต่อไปคุณคงเห็นได้ชัดจากหนังสือเล่มนี้ว่าฮิวเป็นนักปฏิบัติคำว่าจิตที่ฮิวใช้ในบทนี้ไม่ได้หมายถึงเรื่องไสยศาสตร์การทำนายมายากรหรือเรื่องที่เกินจริงแต่อย่างใดคำว่าจิตของเขาหมายถึงสิ่งที่เป็นจิตใจ หรือเกี่ยวข้องกับจิตใจมนุษย์และฮิวใช้คานี้เพื่ออธิบายบางสิ่งซึ่งอยู่ในจิตของพวกเราทุกคนที่กำลังอ่านหนังสือเล่มนี้สามารถประสบได้มันเป็นความรู้สึกที่คุณมีเมื่อกำลังทำงานกับคนอื่นทุกคนล้วนพุ่งไปที่เป้าหมายเดียวกันและจะไปได้สวยเมื่อคุณประสานสัมพันธ์กับคนอื่นได้ดีเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้ว ไม่เพียงแต่คุณจะทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดีขึ้นเท่านั้นแต่งานที่คุณทำและไอเดียของคุณยังมีคุณภาพสูงขึ้นอีกด้วยดังนั้นเพื่อให้คุณเข้าใจพลังที่มีศักยภาพซึ่งพร้อมแล้วสำหรับคุณโดยการเลือกทีมระดมความคิดผมจะขออธิบายถึงคุณลักษณะของหลักการระดมความคิดทั้งสองประการนี้อย่างแรกคือพลังทางเศรษฐกิจอีกอย่างคือ พลังจิตพลังทางเศรษฐกิจลักษณะเฉพาะของเศรษฐกิจนั้นค่อนข้างจะชัดเจนอยู่แล้วผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอาจได้มาจากใครก็ตามที่ทำให้ตัวเองแวดล้อมไปด้วยคำแนะนำคำปรึกษาและความร่วมมือร่วมใจจากกลุ่มคนที่พร้อมจะช่วยอย่างหมดจิตหมดใจด้วยจิตวิญ ญ, ญาณแห่งความประสานสามคัคคีรูปแบบแห่งการร่วมมือร่วมใจฉันมิตรนี้ เป็นพื้นฐานสำคัญของความมั่งคั่งร่ำรวยทั้งหลายสถานะทางการเงินของคุณอาจขึ้นอยู่กับว่าตัวคุณเองเข้าใจสัจธรรมข้อนี้ดีหรือไม่พลังจิตผมหมายถึงส่วนของจิตใจที่เกี่ยวข้องกับหลักแห่งการระดมความคิดนี้อาจเข้าใจยากสักนิดหนึ่งคุณจะเข้าใจความหมายดีขึ้นจากข้อความต่อไปนี้เมื่อใจสองดวงมารวมกัน ยอมสร้างสรรพพลังที่มองไม่เห็นและสัมผัสไม่ได้ไปสู่ใจดวงที่สามเสมอจิตใจมนุษย์เป็นรูปแบบหนึ่งของพลังงานเมื่อจิตใจของคนสองคนประสานสัมพันธ์กันด้วยจิตวิญญาณแห่งความสมัครสมานสามคัคคีพลังงานจากจิตใจของแต่ละคนจะช่วยจับพลังงานของจิตใจคนอื่นมารวมตัวกันเป็นพลังจิตแห่งการระดมความคิด แอนดรูว์คาร์เนกเป็นคนแรกที่ทำให้ผมเกิดความสนใจหลักการระดมความคิดที่เน้นหนักไปทางเศรษฐกิจการค้นพบหลักการนี้ได้ทำให้ชีวิตการทำงานของผมมีทางเลือกทีมระดมความคิดของคาร n เนกี้ประกอบไปด้วยคณะทำงานประมาณ50ิคนซึ่งคอยแวดล้อมเขาเพื่อช่วยคิดในเรื่องที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการตลาดเหล็กกล้า คาเนกี <K an eki> รู้เรื่องทางเทคนิคของธุรกิจเหล็กกล้าไม่มากนักแต่ความเข้มแข็งของเขามาจากความสามารถในการทำให้คนอื่นมาร่วมกันทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้วยความสมัครสมานสามัคคีกันคารนกี้ <K an eki> สร้างความมั่งคั่งทั้งหมดด้วยพลังที่เขาสร้างขึ้นจากทีมระดมความคิดถ้าคุณวิเคราะห์ประวัติของคนที่ร่ารวยมหาศาล หรือร่ำรวยพอประมาณคุณจะพบว่าพวกเขาใช้หลักแห่งการระดมความคิดทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่ไม่สามารถจะได้มาโดวยวิธีอื่นใดอีกแล้ววิธีเพิ่มพูนพลังสมองของคุณสมองของมนุษย์เราอาจเปรียบเทียบได้กับแบตเตอรี่ไฟฟ้าเป็นความจริงที่ว่าแบตเตอรี่หลายตัว จะให้พลังงานมากกว่าแบตเตอรี่เพียงตัวเดียวนอกจากนี้แบตเตอรี่แต่ละตัวจะให้พลังงานโดยขึ้นกับจำนวนและความจุของเซลล์ที่บรรจุอยู่ในแบตเตอรี่นั้นๆสมองของเราก็ทำหน้าที่คล้ายกันบางคนมีสมองที่มีประสิทธิภาพมากกว่าอีกคนสมองของกลุ่มคนที่มาร่วมมือกันหรือเชื่อมโยงกันด้วยความสมัครสมานสามัคคี จะทําให้เกิดพลังยิ่งใหญ่กว่าสมองของคนคนเดียวเช่นเดียวกันกับแบตเตอรี่หลายอันรวมกันให้พลังได้มากกว่าแบตเตอรี่อันเดียวด้วยการอุปมานี้คุณจะเข้าใจว่าหลักการระดมความคิดก็คือเคล็ดลับแห่งพลังที่ได้มาจากพลังสมองของคนอื่นที่ล้อมรอบตัวผู้นั้นนั่นเองต่อไปจะได้ให้คําจํากัดความของสิ่งที่เรียกว่าพลังจิต จากการระดมความคิดเมื่อมีการรวมจิตใจของกลุ่มคนเพื่อร่วมกันทำงานด้วยความสมัครสมานสามคัคคีพลังที่เพิ่มขึ้นก็มาจากจิตใจของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มนั่นเองเฮนรี่ฟอร์ดเริ่มธุรกิจบนพื้นฐานของความยากลำบากไม่รู้หนังสือและไร้การศึกษาภายในช่วงระยะเวลาอันสั้นเพียง10ปีฟอร์ดก็สามารถจัดการกับอุปสรรคทั้งสามได้ และภายในเวลาเพียง25ปีเขาก็ได้สร้างตัวจนเป็นหนึ่งในเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดของสหรัฐอเมริกาเขาทำได้อย่างไรกันนี่เป็นจุดสำคัญที่ทำให้ฟอร์ดก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเมื่อเขาได้คบหาเป็นเพื่อนกับนักประดิษฐ์เรื่องนามโทมัสเอเอดิสันจากเรื่องราวความสำเร็จของฟอร์ดจะเป็นการบ่งชี้ว่า ใจิตใจของคนคนหนึ่งสามารถไปมีอิทธิพลความสำเร็จของจิตใจอีกคนได้เมื่อติดตามเรื่องราวเขาต่อไปคุณจะยิ่งพบว่าพลังใจอาจได้มาจากจิตใจของพันธมิตรของเราและก็เป็นความจริงด้วยว่าความสำเร็จของฟอร์ดขึ้นถึงจุดสูงสุดหลังจากที่เขาได้ทำความรู้จักกับฮาวีสไฟสโตนจอห์นเบโรและลูเธอร์เบอร์แบง์แต่ละคนล้วนมีศักยภาพที่สูงยิ่ง มนุษย์รับเอาธรรมชาตินิสัยรวมไปถึงพลังความคิดจากผู้คนที่เกี่ยวข้องกับเขาด้วยจิตวิญญาณแห่งความเห็นอกเห็นใจและสมัครสมานสามคัคคีด้วยการครบหาสมาคมกับเอดิสันเบอร์แบงก์เบอร์โรและไฟสโตนทำให้ฟอร์ดสามารถเพิ่มพูนพลังสมองของเขาด้วยความเฉลียวฉลาดประสบการณ์ความรู้และพลังแห่งจิตวิญญาณจากบุคคลทั้งสี่ เฮนรี่ฟอร์ดใช้หลักการระดมความคิดโดวยวิธีที่ได้อธิบายไว้ในหนังสือเล่มนี้หลักการนี้พร้อมสำหรับคุณแล้วเช่นกันผมได้กล่าวถึงมหาตามะคานทีไปบ้างแล้วลองมาทบทวนวิธีการที่ท่านใช้สร้างพลังอันยิ่งใหญ่ซึ่งอาจอธิบายได้ด้วยคำเพียงสองสาคำท่านได้รับพลังจากประชาชนสองล้านคนด้วยความร่วมแรงร่วมใจสมานสามัคคี เพื่อจุดมุ่งหมายที่แน่นอนท่านคานทีได้สร้างปฏิหารให้เกิดขึ้นเป็นปฏิหารที่มาจากการชักนำประชาชนถึงสองร้อยล้านคนโดยไม่ได้บีบบังคับให้ร่วมมือกันด้วยความสมัครสมานสามคัคคีถ้าคุณสงสยัยว่า น, นี่คือปฏิหารหรือไม่ก็ลองชักจูงคนแค่สองคนให้ร่วมมือกันด้วยความสามัคคีสักช่วงเวลาหนึง่งคนที่บริหารธุรกิจทุกคนจะทราบดีว่า เป็นการยากเพียงไรที่จะทำให้ลูกจ้างทำงานร่วมกันด้วยจิตวิญญาณแห่งความสมัครสมานสามคัคคีแม้จะเพียงน้อยนิดก็ตามบทวิจารณ์ขั้นตอนแรกในการนำพันธมิตรของคุณมาระดมความคิดก็คือคุณต้องรู้ชัดในปณิธานของตัวเองก่อนปณิธานของคุณจะเป็นตัวบอกว่าคุณต้องการอะไรบ้างอาจเป็นกลุ่มเล็กๆ เ, เพียงสองสาคนเหมือนกรณีของสตีฟชอป และสตีฟวอสเนียตอนที่ก่อตั้งแอปเปิลบิลเกตและพอลอเลนตอนก่อตั้งไม c ครซอฟ t ์หรือสตีเฟนสปีลเบิร์กเจฟฟี่แคสเซนเบิร์กและเดวิดเจฟเฟนตอนที่สร้างสารร์รีมเวิร์ก SKG หรืออาจเป็นกลุ่มใหญ่เช่นทีมระดมความคิดของเซ n จ u รี่ทเว a l ี s วันเรอสเตที่ประกอบด้วยผู้อำนวยการถึง30คนและอาเธอร์บาเลตผู้ก่อตั้งเชื่อว่า นี่เป็นส่วนที่ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จนโปเลียนฮิวแนะนําว่าทีมส่วนมากควรมีคนไม่มากกว่าส2บสองคนและโดยทั่วไปแล้วจํานวนคนน้อยกว่าน่าจะดีกว่าการคัดเลือกคนหมายถึงการค้นหาคนที่ไม่เพียงแต่แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์กับคุณได้เท่านั้นแต่ยังต้องเป็นคนที่สามารถแลกเปลี่ยนไอเดียข้อมูลใหม่ๆและเชื่อมต่อกับคุณได้คนกลุ่มนี้ จะช่วยคุณสามารถนำประสบการณ์ความรู้ความชำนาญของพวกเขาไปใช้ประโยชน์ได้ราวกับว่าเป็นความสามารถของตัวคุณเองและการที่พวกเขาจะทำเช่นนั้นได้ก็ต้องมีความสมัครสมานสามัคคีกันคําถามที่เข้ามาในใจผู้อ่านทุกคนก็คือแล้วฉันจะไปหาคนเหล่านี้มาช่วยฉันได้จากที่ไหนนโปเลียนฮิลไม่สามารถให้คาตอบนี้แก่คุณได้แต่เขาจะบอกว่า อะไรบ้างที่ต้องค้นหาจะไปค้นหาจากที่ไหนและถ้าคุณมีปณิธานที่จะไปสู่ความสำเร็จพร้อมอยู่แล้วคุณจะเริ่มค้นหาและไม่ท้อถอยจนกว่าจะหาคนกลุ่มนั้นพบสิ่งที่นโปเลียนฮิลจะอธิบายเรื่องการระดมความคิดต่อไปนั้นได้มาจากบทความและปะักถาที่เขาเขียนหลังจากตีพิมพ์หนังสือคิดแล้วรวยไปแล้ว W. c l e m e n Stone ซึ่งเป็นทั้งเพื่อน ที่ปรึกษาและผู้ร่วมธุรกิจของฮิลได้รวบรวมไว้เพื่อตีพิมพ์ในหนังสือสองเล่มคือ Napoleon Hill's Keys to Success และ Believe and, Bel and Achieve จบบทวิจารณ์ค้นหาสมาชิกในทีมระดมความคิดของคุณจงเอาตัวคุณเองเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนซึ่งจะมีกี่คนก็ได้ที่คุณต้องการ เพื่อทำให้เกิดการระดมความคิดซึ่งจะช่วยให้คุณสร้างสารรค์และประสบความสำเร็จในแผนงานของคุณรวมไปถึงแผนการแห่งการสร้างความร่ารวยด้วยจงให้ความร่วมมือทำตามคําแนะนำนี้อย่างจริงจังคุณต้องเลือกที่จะร่วมงานกับคนที่คู่ควรมีเป้าหมายความสนใจและมีปณิธานแรงกล้าที่จะทุ่มเทความพยายามเช่นเดียวกับคุณการลองผิดลองถูกเป็นขั้นตอนหนึ่ง แต่มีสองสิ่งที่จำเป็นต้องจำใส่ใจไว้คือประการแรกความสามารถในการทำงานอย่าเลือกคนเข้ามาเพราะคุณรู้จักหรือชอบเขาเป็นอันขาดคนกลุ่มนี้อาจมีค่ากับคุณเพราะเขาช่วยให้ชีวิตคุณดีขึ้นแต่ไม่เหมาะกับทีมระดมความคิดเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องการตลาดดีที่สุด แต่เขาอาจช่วยแนะนำคนเก่งที่สุดให้คุณได้ประการที่สองคือความสามารถที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความสมานฉันท์จำเป็นต้องมีการประชุมด้วยใจโดยไร้ข้อจำกัดความทะเยอทะยานส่วนตัวต้องเป็นรองการบรรลุเป้าหมายของทีมซึ่งรวมไปถึงความทะเยอทะยานของตัวคุณเองด้วยคุณต้องยืนยันสิ่งนี้กับตัวเองอย่างเป็นความลับ คนบางคนสามารถให้ไอเดียพื้นๆได้เพราะเขาช่างพูดคุณต้องไม่ให้คนพวกนี้เข้ามาในกลุ่มจงปรับตัวคุณเองให้เข้ากันกับสมาชิกทุกคนในกลุ่มท้าอยู่ในสถานการณ์ที่คุณถูกพวกเขากดดันจงพยายามจินตนาการว่าคุณจะทำอย่างไรจงให้ความสนใจกับภาษากายที่เขาแสดงออกบางทีการแสดงสีหน้าท่าทางจะบอกความรู้สึกของคนเราได้มากกว่าคาพูดที่ออกมาจากปาก ซึ่งว่องไวที่จะรับรู้สิ่งที่เขากำลังพูดบางทีสิ่งซึ่งเขาพูดทิ้งไว้ก็มีความสาคัญอย่าพยายามบีบบังคับให้คนในกลุ่มก้าวเร็วเกินไปจงยอมให้คนที่ต้องการทดสอบความคิดตัวเองได้มีโอกาสท้าทายคุณบ้างตอบแทนทีมระดมความคิดของคุณก่อนที่จะสร้างทีมระดมความคิดของคุณขึ้นมาจงตัดสินใจว่าอะไรบ้าง ที่คุณจะให้เป็นสิทธิประโยชน์แก่สมาชิกในกลุ่มเพื่อเป็นการตอบแทนความร่วมมือร่วมใจของพวกเขาไม่มีใครทำงานโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไม่มีคนฉลาดคนใดร้องขอหรือคาดหวังให้คนอื่นทำงานให้โดยปราศจากการตอบแทนที่สมน้ำสมเนื้อความมั่งคั่งจะปรากฏแก่สมาชิกของคุณทุกๆคนจงให้พวกเขาอย่างยุติธรรมและด้วยความใจกว้าง การที่สมาชิกแต่ละคนได้รับการยอมรับและมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นอาจสำคัญพอๆกับเงินทองเลยทีเดียวจงจำไว้ว่าหลักการของหุ้นส่วนที่ทำงานเกินเงินทำงานมากกว่าและดีกว่าเงินที่ได้รับมีความสำคัญมากในฐานะผู้นำคุณควรจะเป็นตัวอย่างให้คนอื่นทําตามสมาชิกแต่ละคนต้องตกลงกันได้ตั้งแต่ตอนแรก ในการที่จะช่วยกันสร้างผลกำไรและผลประโยชน์ตลอดจนถึงการแบ่งปันผลประโยชน์ด้วยมิเช่นนั้นแล้วคุณก็มั่นใจได้เลยว่าความแตกแยกจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนมิตรภาพและความร่วมมือจะถูกทำลายจนหมดสิน้น การประชุมทีมระดมความคิดของคุณจัดให้มีการประชุมสมาชิกทีมระดมความคิดของคุณจนกว่าคุณจะร่วมกันทำแผนการที่จำเป็นหรือแผนสร้างความร่ำรวยเป็นผลสำเร็จโดยประชุมอย่างน้อยสัปดาห์ละสองครั้งหรือบ่อยกว่านั้นถ้าเป็นไปได้การประชุมครั้งแรกจะเกี่ยวข้องกับการแยกแยะจุดแข็งจุดอ่อนและปรับรายละเอียดของแผนการพันธมิตรของคุณ ต้องมีความกระตือรือร้อนที่จะทำงานสร้างความรับผิดชอบและวางขั้นตอนในการปฏิบัติเมื่อการระดมความคิดของคุณดีขึ้นและเกิดความสมัครสมานสามัคคีในหมู่สมาชิกคุณจะพบว่าการประชุมจะสร้างสรรค์ไอเดียให้ไหลไปสู่จิตใจสมาชิกทุกคนอย่าให้การประชุมสม่ำเสมอและเป็นทางการมากเกินไปจนห้ามรับโทรศัพท์มือถือและการติดต่ออย่างไม่เป็นทางการ ทำรงรักษาการระดมความคิดจงรักษาความสมัครสมานสามคัคคีระหว่างตัวคุณกับสมาชิกในทีมระดมความคิดไว้ให้ดีถ้าพลาดคำแนะนำนี้ไปแม้เพียงเล็กน้อยคุณอาจพบกับความล้มเหลวหลักแห่งการระดมความคิดจะไม่ได้ผลถ้าความสามคัคคีไม่เกิดขึ้นจงสร้างสารร์บรรยากาศที่เป็นมิตรยอมรับทุกความคิดเห็นด้วยความสนใจและใส่ใจในความรู้สึกของผู้นั้น ทุกคนต้องปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยหลักแห่งจริยธรรมและต้องไม่มีสมาชิกคนใดที่สแสวงหาผลประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรมในฐานะผู้นำคุณต้องสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นในหมู่สมาชิกว่าคุณได้อุทิศตนให้กับปณิธานของคุณซึ่งเป็นเป้าหมายของทีมงานสมาชิกต้องรับรู้ว่าคุณน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ เมื่อคุณพร้อมที่จะเสนอผลงานแห่งความภาคเพียรพยายามต่อนักลงทุนผู้ซื้อหรือสาธารณชนแล้วคุณอาจถูกท้าทายภาวะผู้นำในการที่จะรักษาความปรองดองของทีมระดมความคิดของคุณความพยายามของทีมกำลังจะถูกตัดสินโดยคนภายนอกและต้องเผชิญหน้ากับการตัดสินใจของผู้อื่นด้วยความกล้าหาญและอดทนความกล้าหาญของแต่ละคน เทียบไม่ได้กับความกล้าหาญของทั้งทีมยิ่งคุณสามารถรักษาความสมัครสมานสามัคคีได้มากเท่าไหร่พลังยิ่งมากขึ้นเท่านั้นและเมื่อพลังยิ่งมากขึ้นคุณก็จะสามารถเอาชนะอุปสรรคได้ง่ายขึ้นการแต่งงานกับการระดมความคิดพันธมิตรร่วมคิดที่คุณรักมากที่สุดมีความสำคัญมากถ้าคุณแต่งงานแล้ว แต่ไม่ได้สร้างสัมพันธภาพอันดีตามหลักการแห่งความสมัครสมานสามคัคคีซึ่งมีความสำคัญมากต่อพันธมิตรของคุณแล้วแล้วก็คุณก็อาจจะต้องอย่าร้างกับคู่สมรสจงจัดเวลาในแต่ละวันเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการและวิธีการที่จะทำเป้าหมายที่ชัดเจนของคุณซึ่งจะช่วยคุณสามารถโน้มน้วจิตใจคู่ครองให้เห็นถึงผลประโยชน์ของงานที่คุณกาลังจะทา เป็นไปไม่ได้ที่งานของคุณจะไม่กระทบคู่สามีหรือภรรยาของคุณเลยดังนั้นคุณต้องไม่พยายามลากคู่ครองของคุณเข้าไปเสี่ยงโดยไม่เต็มใจจงทำให้มิตรภาพจากการระดมความคิดเข้ามาอยู่ในชีวิตแต่งงานของคุณด้วยตั้งแต่ต้นแล้วสิ่งนี้จะช่วยสนับสนุนคุณแม้ในช่วงที่ไม่เห็นแสงสว่างแห่งชีวิตความเป็นจริงแล้วทุกคนในครอบครัว ควรจะถูกรวมเข้ามาเป็นพันธมิตรของคุณด้วยถ้าขาดความสมัครสมานสามัคคีในบ้านงานการก็อาจจะมีปัญหาตามไปด้วยครอบครัวที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นทีมงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดการระดมความคิดและอัจฉริยภาพแห่งจักรวาลแหล่งที่มาของพลังส่วนหนึ่งของคุณมาจากอัจฉริยภาพแห่งจักรวาล การที่คนตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมมือร่วมใจกันด้วยจิตวิญญาณแห่งความสมัครสมานสามัคคีและทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ชัดเจนนั่นหมายความว่าเขาได้วางตัวเองให้อยู่ในตำแหน่งที่จะซึมซับพลังแห่งจักรวาลอันยิ่งใหญ่ซึ่งก็คือสิ่งที่ผมระบุว่าเป็นอัจฉริยภาพแห่งจักรวาลนี่คือแหล่งพลังงานอันยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นแหล่งซึ่งอัจฉริยะบุคคลและผู้นำที่ยิ่งใหญ่ใช้ ไม่ว่าเขาจะรู้ความจริงนี้หรือไม่ก็ตามในบทที่13จิตใต้สำนึกและบทที่14ศักยภาพแห่งสมองจะได้อธิบายรายละเอียดของวิธีการที่จะเข้าถึงอัจฉริยภาพแห่งจักรวาลต่อไปนี้ไม่ใช่แนวคิดทางศาสนาและไม่ควรนำหลักการของอัจฉริยภาพแห่งจักรวาลในหนังสือเล่มนี้ไปแปลความเพื่อรับรองหรือปฏิเสธความเชื่อทางศาสนาใดๆทั้งสิ้น หนังสือเล่มนี้จํากัดตัวเองเฉพาะการให้ความรู้ผู้อ่านเพื่อแปรเปลี่ยนเป้าหมายที่ชัดเจนของปณิธานแห่งความมั่งคัง่งให้กลายเป็นจริงจงอ่านและใครครวญสิ่งซึ่งคุณกําลังอ่านแล้วสิ่งต่างๆจะเผยตัวมันเองออกมาในไม่ช้าและคุณก็จะมองเห็นภาพทั้งหมดจากจุดนี้คุณเพียงแต่เก็บรายละเอียดของแต่ละบทให้ครบถ้วนเท่านั้นบทวิจารณ์ บทนี้คงไม่สมบูรณ์ถ้าไม่ได้พูดถึงการระดมความคิดในช่วงเวลา15ปีหลังจากหนังสือคิดแล้วรวยได้ตีพิมพ์ครั้งแรกทีมระดมความคิดของนโปเลียนฮิลเองมีเศรษฐีหลากหลายธุรกิจผู้ใจบุญนั่นคือ W Clement Stone ในวันที่สองพฤษภาคมปีคิตศักราช1951ัเเเมื่อนโปเลียนฮิล อายุได้67ปีฮิวและภรรยาของเขาแอนนี่ลูตกลงใจว่าถึงเวลาที่เขาจะเกษียณตัวเองทั้งคู่ตัดสินใจว่าจะตัดการบรรยายและปฐกถาของฮิวทั้งหมดหลังจากที่จบการบรรยายซึ่งได้นัดหมายไว้แล้วในปฏิทินการทำงานโดยรวมไปถึงกำหนดการที่ชิคาโก้ในอีกหนึ่ถึงสองสัปดาห์ถัดไปด้วย W. Cleeman s t โ n e ไม่รู้เหตุการณ์นั้นมาก่อนเขาเตรียมการที่จะนั่งแถวหน้าและติดกับนโปเลียนฮิลเช่นเดียวกันกับฮิลสโตนถือกำเนิดจากความยากจนตอนอายุ6ขวบเริ่มขายหนังสือพิมพ์เพื่อช่วยครอบครัวหาเงินมาจ่ายค่าเช่าบ้านเขาต้องยืนด้วยลำแข้งตัวเองเมื่ออายุเพียง13ปีเมื่ออายุ16ปี เขาเริ่มขายประกันและเมื่ออายุ20ปีเขารวบรวมเงินได้100ดอลลาร์โดยความยากลำบากเขาได้ใช้เงินก้อนนี้เพื่อเริ่มงานตัวแทนประกันของตัวเองสโตนเป็นนักขายและนักสร้างแรงจูงใจที่เก่งมากกิจการบริษัทของเขาเติบโตอย่างรวดเร็วเมื่อปีคิตศักราช1938เขาได้อ่านหนังสือคิดแล้วรวยแล้วประทับใจเนื้อหาในหนังสือมาก จนเขาซื้อหนังสือแจกพนักงานและลูกจ้างของเขาทุกคนเขาทำต่อเนื่องไปตลอดโดยรวมไปถึงพนักงานใหม่ทุกคนที่จะมาทำงานในบริษัทด้วยหลายปีผ่านไปทำให้จำนวนหนังสือที่แจกกลายเป็นหลายพันเล่มเมื่อสโตนได้รับการแนะนำให้รู้จักกับฮิวนั้นเขาบอกฮิวว่าเขาได้จ่ายเงินซื้อหนังสือไปมากแค่ไหนและพูดด้วยความเชื่อมั่นว่า เป็นเพราะหนังสือของฮิลทำให้เกิดพลังในการขายและแปรเปลี่ยนบริษัทของเขาจากที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จนักให้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่นโปเลียนฮิลและ W. c r e m a n ยูครีแมนสโตนเห็นพ้องต้องกันในการพบกันครั้งแรกว่าฮิลควรตัดสินใจเลื่อนกา ร, กรเกษียณอายุตัวเองออกไปก่อนเพื่อจะร่วมมือกับสโตนในการสร้างสรรค์โลกที่ดีกว่าเดิมเพื่ออนาคตของคนรุ่นใหม่ ภายในหนึ่งปีเขาได้ช่วยนโปเลียนฮิลตีพิมพหนังสือเล่มใหม่ออกมาคือ How to r i s e Your Own Salary และ The Master Key to Riches เขานำหนังสือขายดีมาตีพิมพ์ใหม่และเป็นนักเขียนร่วมหนังสือขายดีเล่มใหม่คือ Success Through a Positive Mental Attitude เขาได้เริ่มทำนิตยสารและสร้างหลักสูตร PMA Science of Success ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับเรียนด้วยตัวอย่างที่บ้านทำรายการโทรทัศน์รายการวิทยุภาพยนตร์สารคดี Anil South in Paris ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอันน่าอัศจรรย์ใจเมื่อทั้งเมืองปารีสและมิสซูรีได้นำหลักปรัชญาของนโปเลียนฮิวไปใช้นอกจากนี้ทั้งคู่ยังได้สลับกันบรรยาย สอนให้สัมภาษณ์และเผยพแพร่ปรัชญาไปยังผู้คนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อเป็นการช่วยงานซึ่งกันและกันบริษัทของ W. c r e m a n t Stone <c oughs> ก็ได้ปรึกษา Napoleon Hill ในการควบรวมกิจการบริษัทประกันในสหรัฐอเมริกาฮิลลได้ออกแบบและจัดเตรียมหลักสูตรฝึกอบรมการขายซึ่งประสบความสาเร็จในธุรกิจอย่างน่าประหลาดใจโดยช่วยให้ Stone เพิ่มสินทรัพย์ให้บริษัทของเขาจาก30ล้านดอลลาร์เป็น100ล้านดอลลาร์ภายในเวลาไม่ถึง10ปีในปีคิตศกาช2002เมื่อ W. ดบยูคลีแมนสโตนยุติบทบาทในบริษัทของเขาซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในานามบริษัทมหาชน AON เขาทำรายได้ถึง 2,000 ล้านดอลลาร์ต่อปี W. c l e m e n Stone ได้ใช้ทรัพย์สินส่วนตัวมากกว่า275ล้านดอลลาร์เพื่อบริจาคให้องค์การเพื่อการกุศลต่างๆมากมายบางทีอาจไม่ใช่ตัวอย่างที่ยิ่งใหญ่นักของการที่คนตั้งแต่สองคนขึ้นไปนำความรู้และความพยายามมาร่วมมือร่วมใจกันด้วยจิตวิญญาณแห่งความสมัครสมาสามคัคคีระหว่างกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่แน่นอน ตลอด10ปีที่นโปเลียนฮิลและ W. ดันยูคลีแมนสโตนร่วมกันทำงานและต่างก็มีอิทธิพลซึ่งกันและกันจนประสบความสำเร็จนั้นแทบจะไม่มีข้อสงสัยในเรื่องของพลังและความสำคัญแห่งการระดมความคิดเลยจบบทวิจารณ์พลังแห่งอารมณ์เชิงบวกเงินมีคุณลักษณะขี้อายจับไม่ค่อยอยู่รักษาไว้ได้ยาก ต้องวิงวอนขอร้องและต้องเอาชนะด้วยวิธีการเหมือนกับที่ใช้กับคู่รักพลังที่คุณใช้จับเงินไว้ให้อยู่ไม่แตกต่างจากวิธีใช้เพื่อดึงดูดคนที่คุณรักเอาไว้มันเป็นพลังแห่งอารมณ์เชิงบวกในการใช้พลังนั้นเพื่อไล่ตามเงินทองให้ประสบความสำเร็จต้องผสมผสานด้วยศรัทธาปณิธานความมุ่งมั่นต้องประยุกต์ใช้แผนการและนาไปลงมือปฏิบัติ เมื่อเงินทองมีปริมาณมากขึ้นมันจะไหลไปสู่คนที่สั่งสมมันไว้เหมือนน้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำกระแสแห่งพลังอันยิ่งใหญ่ซึ่งเราอาจเปรียบเหมือนกระแสในแม่น้ำสองทิศทางด้านหนึ่งพัดไปในทิศทางที่นำพาผู้คนที่เลือกกระแสข้างนี้ขึ้นไปสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยส่วนกระแสอีกด้านหนึ่งพัดพาไปในทิศทางตรงกันข้าม นำพาผู้คนซึ่งเคราะห์ร้ายเข้าไปหามันและไม่สามารถดึงตัวเองออกมาได้ไปสู่ความทุกข์ยากและยากจนทุกคนที่มีความมั่งคั่งร่ำรวยต่างก็รับรู้ได้ถึงความมีอยู่จริงของกระแสแห่งชีวิตมันขึ้นกับขั้นตอนในการคิดของคนคนนั้นอารมณ์เชิงบวกจะสร้างกระแสนำพาคุณไปสู่ความมั่งคัง่งส่วนอารมณ์เชิงลบก็จะนำพาคุณลงไปสู่ความยากจน นี่เป็นจุดสําคัญอย่างยิ่งสําหรับคนที่กําลังจะทำตามหนังสือเล่มนี้เพื่อไปสู่เป้าหมายแห่งความร่ำรวยถ้าคุณอยู่ในกระแสที่กําลังจะไปสู่ความยากจนหนังสือเล่มนี้จะทำหน้าที่เหมือนไม้พายสําหรับขับเคลื่อนพาคุณข้ามไปอีกด้านหนึ่งของกระแสแต่มันจะสามารถทำหน้าที่ได้ก็ต่อเมื่อคุณได้นาหลักการไปใช้เพียงแค่การอ่านและผ่านไป จะไม่มีประโยชน์สำหรับคุณเลยความยากจนและความร่ำรวยสามารถเปลี่ยนที่กันได้ความร่ำรวยจะแทนที่ความยากจนได้โดยการวางแผนด้วยความระมัดระวังและไตร่ตรองมาอย่างดีแล้วเท่านั้นแต่สำหรับความยากจนไม่เป็นเช่นนั้นความยากจนไม่ต้องการแผนการใดๆไม่ต้องการให้ใครช่วยเพราะมันกล้าและไร้ความปราณีส่วนความร่ารวยนั้นขี้อายและขี้กลัว ทำให้เราต้องดึงดูดความร่ำรวยเข้ามาความคิดของมนุษย์เป็นขุมทองที่มากมายมหาศาลยิ่งกว่าขุมทองอื่นใดในผืนโลก